กับหลงนี่มันเป็นของคู่กันนะหลงเนี่ยมันทำให้ทุกข์แล้วกัทุกข์ก็ทำให้หลงมากขึ้นหลงที่ว่านี่เช่นหลงคิดหรือว่าหลงอารมณ์หลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์ไม่ว่าโลภะโทสะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หลงคิดหลงอารมณ์เนี่ยมันทาให้ทุกข์เนี่ยก็เพราะว่ามันหลงอีกอย่างหนึ่งนะคือหลงสมมุตินะ เมือ่อวานนี้ก็พูดไปแล้วนะเรื่องสมมุติบัญญัติสมมุติสัจจะเราทุกข์เพราะเราหลงในสมมุติอย่างที่เราสวดกันเนี่ยทุกเช้าเนี่ยประสบกับสิ่งที่ไม่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพลาดจากสิ่งที่เราที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ผู้อย่างนึงคือว่าถ้าเราพัดพลาดจากสิ่งที่สมมุติว่าดีมีค่า เราก็ทุกข์เสียใจขับแค้นเราประสบกับสิ่งที่สมมุติกันว่าไม่ดีแย่ต่ำต้อยเราก็ทุกข์ปรารถนาสิ่งที่สมมุติว่าดีมีค่าแต่ไม่ได้สิ่งนั้นหรือได้ไม่สมอยากก็ทุกข์ไอ้ความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยหรือว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันก็ลดแล้วแต่เป็นเพราะคนเราเนี่ยไป ไปหลงในสมมุติอย่างที่เมื่อวานที่พูดไปแล้วนะว่าสมมุติเนี่ยโดยเพราะที่เป็นสมมุติบัญญัติเนี่ยมันก็ได้แก่สมมุติในสิ่งที่เป็นคุณค่าหรือการให้ค่าอย่างเช่นสังคมเขาสมมุติหรือให้ค่าว่าเนี่ยเพชรทองเนี่ยมันมีค่า ใครได้นี่ก็รู้สึกมีความสุขใครเสียไปก็จะเกิดความทุกข์เศร้าโศกมางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับมานทีก็ถึงขั้ตัวตายเลยทัางนั่งที่เพชรหรือทองนี่คุณค่าของมันเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นแต่พอเราไปหลงสมมุติเนี่ยเราก็เลยถูกมันครอบงำ มีทธิพลต่อชีวิตจิตใจของเราบางทีก็ถึงกับเอามันเป็นพระเจ้านะอย่างเช่นคนที่ถือเอาเงินเป็นพระเจ้าสมมุติเนี่ยมันมีทั้งการให้ค่าว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีรวมทั้งสมมุติเกี่ยวกับเรื่องสถานภาพอัตลักษณ์เนี่ยคนทุก ก็เพราะความหลงสมมุติในเรื่องเหล่านี้หรือมิฉะนั้นก็ทะเลาะ ก, กันก็นเพราะสมมุติเกี่ยวกับเรื่องอัตลักษณ์เช่นไทยกับพมา่าหรือว่าพูดกับมุสลิมเนี่ยในหลายคนในหลายกลุ่มเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปัก ทังที่มันก็เป็นเรื่องสมมุตินะเป็นไทยเป็นพมา่านี่ก็เรื่องสมมุติเป็นพุทธหรือเป็นมุสลิมก็เรื่องสมมุติเราไปลงสมมุติจนกระทั่งเราลืมสิ่งที่เป็นแก่นแท้ท่าทีที่เราพึงมีต่อสมมุติบัญจัติเนี่ยก็คือตระหนักว่ามันไม่ใช่เป็นตัวคุณค่าที่แท้ ถึงแม้คนก็จะสมมุติว่าเนี่ยเพชรทองมีค่ากว่าค่าปลาอาหารแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะเพชรเนี่ยมันไม่ทำให้คนเราอยู่ได้แต่คนเราอยู่ได้เพราะอาหารเราต้องไม่ลืมความจริงข้อนี้หม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษาก ร, ก ร, กรนะที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของเกษตรกรเรกษต ร, กรเรกษต ร, รกรรมแผนใหม่ของไทยเนี่ย ท่านพูดไปดีนะท่านบอกเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาเป็นของจริงอย่าไปหลงติดกับสมมุติเกี่ยวเรื่องเงินทองเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้เราอยู่ได้เลยกินก็ไม่ได้นะแต่ข้าวปลาอาหารตัางหากที่ท่านบอกเนี่ยช่วยเตือนให้เราเนี่ยไม่หลงในสมมุติเกี่ยวเงินทองเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาเป็นของจริงรู้ตัวท่านนี้ก็น่าสนใจนะเพราะท่านเนี่ยเคยเป็นข้าราชการท่านผู้ใหญ่นะ นายบดีกรมฝิ่นซึ่งถือว่าเป็นกรมที่มีหาไรายได้ข้าะเทศสูงมากใครๆก็อยากเป็นนะแต่ท่านลาออกมาเป็นชาวนามาบุกเบิกเรื่องเกษตรกรรมการที่คนที่เป็นหม่อมเจ้าเนี่ยทิ้งตำแหน่งธิบดีกรมที่ถือว่าสูงหมายปอง มาเป็นชาวนานี่ก็เรียกว่าท่านไม่ติดสมมุตินะสมมุติเกี่ยวกับฐานันดรเกี่ยวกับสารภาพก็จะให้ค่ากับความเปรียบเทียบดีราชการมากกว่าการเป็นชาวนานหลายคนเป็นทุกข์นะเพราะว่าไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพออเป็นซีอหลายคนเป็นทุกข์เพราะาตัวเองเป็นเสมียนอันนี้พอไปติดสมมุตินะสมมุติ คือการให้ค่าว่าพออเป็นของสูงเป็นที่หมายปองส่วนการเป็นเสมียนนะมันเป็นเรื่องที่ต่ำต้อยถ้าเราติดสมมุติแบบนี้ก็ทุกนะถ้าเป็นเสมียนแล้วก็เป็นทุกข์ที่ไม่ได้เป็นพออไม่ได้เป็น C ีโแต่ถ้าว่าเราไม่ติดสมมุติเราก็จะเข้าใจนะว่าอะไรคือคุณค่าอะไรคือแก่นสาร จะเป็นผอจะเป็น Co อหรือจะเป็นเสมียนไม่สาคัญสิ่งสำคัญคืออะไรคือคุณธรรมความดีถ้าพวกเราเข้าใจสิ่งที่เป็นแก่นสารเป็นสาระเนี่ยไม่จะไม่ทุกข์เลยนะแม้จะเป็นเสมียนแต่ว่าทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทำงานอย่างมีฉันทะก็มีความสุขหลายคนสุขกว่าผอผู้จัดการ หือซีโอใช่หพรหลายรูป ก, ก็เป็นทุกขนะที่ไม่ได้เป็นเจ้าคุณนะไม่ได้เป็นเจ้าว่าหรือไม่ได้เป็นพ่อครูนะอันนี้ก็เป็นหลงสมมุตินะสาระที่แท้ความเป็นพระคืออะไรนะก็คือการดอนดวงชีพธรรมจันทร์การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสมมุติไปติดสมมุติเนี่ยมันก็จะ ก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเข้าใจมองทะลุสมมุติเข้าถึงแก่นแท้เนื้อหาสาระมันก็ไม่ทุกข์สามารถใช้ช่วยอย่างมีความสุขมีคุณค่าได้ดังประการที่หนึ่งเราไม่ควรลงสมมุติก็เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวแก่นสารหรือสาระที่แท้และประการต่อมาก็เพราะว่าสมมุติเนี่ยมันไม่เที่ยงมันแปลเปลี่ยนสมัยก่อนเนี่ย การเป็นข้าราชการเนี่ยถือว่าโก้แต่ถ้าใครเป็นดารานักร้องหรือเป็นดาราเนี่ยถือว่าเต้นกินรำกินใครมีลูกเป็นดาราเป็นนักแสดงนี่ถือว่าต่ําต้อยหน้าหน้าเสียใจนะแต่เดี๋ยวนี้นี่ใครเป็นข้าราชการนี่ก็ไม่ค่อยสนใจกันละเป็นดาราต่างหากที่โก้อันนี้มันแปลว่าแะไรแปลว่าสมมุติมันแปลเปลี่ยนไป แต่กอนเนี่ยคำยกย่องเนี่ยนะถ้าใครยกย่องว่าเป็นเป็นพ่อเป็นป้าเป็นลุงเนี่ยถือว่าดีสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้เรียกว่าป้านี่ถือว่าดูถูกแล้วมนุษย์ป้าเงี้ยหลายหลายคนที่ไม่ชอบใครไม่เรียกว่าลุงนะเพราะว่ายังไม่อยากแก่ คำสารเสวนวันนี้ก็อาจจะเป็นคำที่ไม่น่าสนใจไม่น่าฟังในวันหน้าก็ได้หรือสิ่งที่เป็นคำสารเสวนเมื่อวานนี้ผ่ถึงวันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่อยากจะฟังก็ได้เป็นสมัยก่อนที่เขาบอกเนี่ยเขาสารเสวนคำสารเสวนยกจ่องคือว่าเป็นคนว่านอนสอนง่ายใครที่ได้รับการพูดแบบนี้ก็ถือว่าเขาชมเรา แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากจะได้คาชมว่าว่านอนสอนง่ายแล้วมันต้องชมว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองอ่าเงี้ยสมมติมันแปลเปลี่ยนไปนะสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่สี่เนี่ ย, ย, ยคำที่หยาบคายเนี่ยคืออะไรรู้ไหมหยาบคายมากๆเลยคือคำว่าไวเนื้อเชื่อใจนี่ถือว่าหยาบคายมากหรือว่าต้องเนื้อต้องใจเนี่ย หยาบคายมากและการที่สื่อถึงกับประกาศในราชกิจจานุเบกษานะห้ามคนพูดหรือเขียนข้อความนี้นะไว้เนื้อเชื่อใจแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงเมื่อเขาไว้เนื้อเชื่อใจเป็นคําที่ดีไปซะและ้วคนเราต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจสิ่งที่เป็นคําหยาบเมื่อวานวันนี้กลายเป็นคําที่ดีไปแล้วสิ่งที่เป็นคํายกย่องเมื่อวานวันนี้กลายเป็นคําที่เชยไปซะและ้วนี่เป็นเรื่องสมมุตินะ ที่มันแปลเปลี่ยนอย่างเนี่ยถ้าเราไปพอเรารู้เช่นนี้เราก็ไม่ไปหลงไหลกับมันมากไม่ไปยึดติดกับมันมากเพราะเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงนะโดยเพราะมันไม่ได้เที่ยงตรงที่มันแปลเปลี่ยนอย่างเดียวนะแต่ว่ามันไม่เที่ยงตรงที่ว่ามันจะสูญหายพัดพาดเมื่อไหรก็ได้เช่นตาแหน่งหน้าที่ พวกนี้เนี่ยนะมเป็นของโชคราว crowd. เป็นหัวโขนที่ต้องรู้จักถอดถ้าไม่รู้จักถอดนะมันก็จะมีคนแย่งไปหรือเมื่อกับเก้าอี้ถ้าไม่รู้จักลุกนะก็จะมีคนมาแย่งเก้าอี้นั้นไปแต่ถ้า่วมมันไม่เที่ยงนะเออก็ไม่ติดมัน้วกเราเนี่ยต้องเข้าใจนะเรื่องสมมติบัญญัติแล้วก็ไม่หลงติดมันแต่ว่าใช้มันให้เป็นประโยชน์นะ แต่ว่านอกจากสมมติบัญญัติแล้วเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคือสมมติสัจจะสมมุติบัญญัตินี่หลายคนพอจะเข้าใจได้ง่ายนะว่ามันมันไม่ใช่เป็นของที่ที่เป็นเนื้อหาสาระมันเป็นเพียงแค่ค่านิยมของสังคมนะที่แปลเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นคุณค่า พอที่จะไม่หลงติดในมันได้แต่สมมุติสัจจะเนี่ยเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจได้ยากแล้วก็หลงติดนะในสมมุติสัจจะมากจะเข้าใจเรื่องสมมุติสัจจะได้เนี่ยนะมันก็ต้องเข้าใจเรื่องอนัตตา เข้าใจเรื่องสมมติสัจจะก็เข้าใจเรื่องอนัตตาแล้วเข้าใจเรื่องอนัตตาก็เข้าใจเรื่องสมมติสัจจะสมมติสัมมสจจ์อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานนะก็คือความจริงที่ขึ้นจากการยอมรับของผู้คนหรือความจริงที่ถูกกำหนดขึ้นมาเป็นข้อตกลงกันของชาวโลกเช่นอะไรนะเช่นคนสัตว์โตเก้าอี e, ้ บ้านรถยนต์อันนี้มันสมมุตินะแต่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยคงเข้าใจเรื่องอนัตตานะอย่างเช่นเนี่ยที่ท่านสอนว่าเนี่ยคนเนี่ยเป็นอนัตตาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าคนเนี่ยไม่ใช่ตัวตนอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนนะแต่บางทีบางคนก็แปลว่าไม่มีตัวตนมันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันนะคนเนี่ย เป็นอนัตตารถเป็นอนัตตาเก้าอี้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวต น, ถ, ตวตวนนะถ้าไม่ใช่ตัวตนแล้วเป็นอะไรนะถ้าไม่ใช่ตัวตนก็เป็นสมมุติไงคนเนี่ยคือสมมุติรถเนี่ยคือสมมุติ adoption. หมู่บ้านนี่คือสมมุติบางคนก็แย้งว่ามัน possible. สมมุติได้ไงก็เห็นยนเห็นอยู่ไอ้ที่เห็นนี่นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่รถมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่เก้าอี้ แต่เป็นการประชุมกันของส่วนประกอบที่รวมเข้าด้วยกันแล้วเราก็เรียกชื่อมันว่ารถเราเรียกมันว่าบ้านเรียกล้อหมู่บ้านเราเรียกมันว่าสัตว์เราเรียกว่าคนแต่ตัวตนที่เป็นคนตัวตนที่เป็นสัตว์เนี่ยตัวตนที่เป็นหมู่บ้านเนี่ยตัวตนที่เป็นรถมบบนันไม่มีอย่างรถเนี่ยนะ ถ้าเราแยกส่วนประกอบชิ้นส่วนต่างๆออกไปจนหมดมันก็ไม่เหลือตัวรถให้เห็นเลยหมู่บ้านเกิดจากไรนะหมู่บ้านก็เกิดจากบ้านหลายๆหลังมารวมกันแล้วเราก็เรียกบันว่าหมู่บ้านหมู่บ้านนี่เป็นชื่อเรียบบ้านหลายหลังที่มารวมกันแต่ตัวตนที่เป็นหมู่บ้านมันไม่มีสัตว์หรือคนก็เหมือนกันนะ เป็นชื่อเรียกขันห้าที่มารวมกันขันห้ามารวมกันเราก็เรียกว่าเนี่ยคนนี่นายกนี่นายคอนี่สัตว์นะแต่ถ้าแยกเอาขันห้าออกไปหมดมันก็ไม่เหลือคนมันก็ไม่เหลือสัตว์เลยอย่างที่พระเถรีท่านหนึ่งนะี่ท่านบอกว่าเนี่ยในสภาวะของกองสังขารล้วนๆเนี่ย หาตัวสัตว์ไม่เจอเพราะสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนมันคือสมมุติอนะท่านก็พูดว่าเนี่ยเมื่อชิ้นส่วนมาประชุมมาประกอบกันก็สมมุติว่ารถนะเมื่อสังขารทั้งห้ามารวมกันก็สมมติว่าสัตว์ หมายความว่าสัตว์เนี่ยเป็นสมมตนะิสัตว์ไม่ใช่ตัวตนรถก็ไม่ใช่ตัวตนความหมายมันต่างจากไม่มีตัวตนนะแต่ว่ามันต่างกันไม่มากนะคนไม่ใช่ตัวตนเพราะคนเป็นสมมุติท่าเข้าใจเรื่องสมมุติเนี่ยก็เข้าใจเรื่องอนัตตาเข้าใจเรื่องอนัตตาเข้าใจเรื่องสมมุติแล้วก็ทําให้ไม่ติดในสมมติติดสัจจะแต่เรื่องนี้มันก็เข้าใจยากนะเพราะอนัตตาตัวมันเองก็เป็นเรื่องเข้าใจยากอยู่แล้ว แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้มันจะเกิดความยึดติดยึดติดว่าเป็นตัวเป็น ต, น, ตนยึดติดว่าเป็นเราแล้วก็เป็นของเราเสร็จแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมาเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงนะมันย่อมมีบางเสื่อมสลายพอเสื่อมสลายไปก็ย่อมทุกข์ก็ย่อมเสียใจ แล้วเวลาเสียใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่มีแต่ความเสียใจนะมันมีมันมีเราพู้เสียใจมันมีเราพูดทุกข์นะถ้ามีแต่ความเสียใจมีแต่ความทุกข์ล้น้วนเนี่ยไม่มีพูดทุกข์นะมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่มันไม่ได้มีแต่ความทุกข์แต่มันมีเราพูดทุกข์มันมีเราพูดโศกเรื่องนี้แหละนะที่มันเป็นปัญหาของมนุษย์ทั้งมวล อันนี้ทำยังไงนะในเมื่อการเข้าใจเรื่องสมมติสัจจะเนี่ยเป็นเรื่องยากถึงแม้เป็นเรื่องยา ก, ยากแต่อย่างน้อยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือว่าในเมื่อ ย, ยังมีความหลงยึดว่ามีตัวเราอย่างน้อยเนี่ยก็พยายามทําให้ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวตนที่ดี เมื่อยังมีความยึดว่าเราเป็นตนมีตัวเราอยู่ก็ทำให้เป็นตัวเราที่ดีหรือมีความรักตนในทางที่ถูกต้องพระเจ้าจพระองก็ไม่ได้สอนแต่เรื่องอนัตตาละวางตัวตนอย่างเดียวนะแต่พระองค์สอนให้รู้จักรักตนในทางที่ถูกด้วยอันนี้เป็นคำสอนสำหรับคนที่ยังเข้าไม่ถึงอนัตตาหรือคนที่ยังติดสมมติว่ามีเรานะมีในกนในขอ อย่างน้อยเนี่ยก็ให้รู้จักรักตนในทางที่ถูกต้องรักตนคือว่าไม่เห็นแก่ตัวมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นทำความดีรวมทั้งพยายามสลัดรวมน้ำพยายามขัดเกลาตัวตนให้เบาบางนะหรือมีความยึดถือในตัวตนให้น้อยลงยังมีตัวตนอยู่นะแต่ว่ายึดถือให้น้อยลง มีความนอนถอนตนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่ช่วยทำให้มีความทุกข์น้อยลงแม้ว่าจะยังมีความหลงว่ามีตัวตนหรือยังติดสมมุติว่ามีเรามีในกอในขออยู่ทันถ้ากว่าตั้งมั่นในการทาความดีเพราะอยากให้ ตัวตนเป็นตัวตนที่ดีหรือเพราะรักตนเนี่ยในแง่หนึง่งมันก็เป็นสะพานนำไปสู่หรือเป็นฐานไปสู่การเข้าใจเรื่องอนัตตาจนกันทั่งละวางความยึดถือในตัวตนหรือเข้าใจว่าเท็จจริงแล้วเนี่ยตัวกูไม่มีจริงนะมันเป็นแค่สมมุติแต่ถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยนะ ไอ้ความความเข้าใจหรือความคิดว่าตัวกูไม่มีหรือความคิดว่าทุกอย่างเป็นสมมุติเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยพ่อแม่ก็สมมุติเพราะฉะนั้นฉันไม่ต้องดูแลพ่อแม่ก็ได้นะมันเป็นสมมุติฉันไม่เป็นต้องมีความ กตัญญูกตะเวทีต่อพ่อแม่ก็ได้มันสมมุติอันนี้มันเป็นสมมุติแบบเป็นความเข้าใจแบบที่ไม่ใช่เข้าใจเรื่องสมมุติอย่างจริงแต่มันถูกครอบงาด้วยกิเลสมากกว่าถูกครอบงาด้วยอวิชชาเพราะว่าในเมื่อบอกว่าพ่อแม่เป็นสมมุติ แล้มีตัวฉันได้ยังไงในเมื่อพ่อแม่สมมุติเนี่ยแล้วทำไมยังมีความเพียงแก่ตัวอยู่อย่างที่เขาบอกเนี่ยพ่อแม่ึ่งสมมติฉันไม่ต้องดูแลพ่อแม่ก็ได้อาแล้วฉันมาจากไหนถ้ายังมีความเรียว่าเป็นฉันเนี่ยไอ้ที่สมมติพ่อแม่เป็นไอ้ที่เรียว่าพ่อแม่สมมุติมันก็เป็นแค่ข้ออ้างของกิเลสความเพียงแก่ตัว อันนี้มันเป็นการเข้าใจธรรมะที่ผิดพลาหรือเป็นการเอาความรู้ทางธรรมะมาเพื่อสนองกิเลสเพื่อสนองความเห็นแก่ตัวไอ้แบบนี้ก็มีเยอะนะพื้นฐานแม่แน่นนะก็คือว่าไม่ได้มั่นคงในคุณธรรมความดีแต่ว่าไปคิดเอาเข้าใจในธรรมะขั้นสูง คิดว่าเข้าใจแต่ที่จริงเป็นการเอาธรรมะขั้นสูงมาเพื่อสนองกิเลสมากกว่ามันมีคนที่พยายามนะที่บอกให้แคลว่าเนี่ยฉันเข้าใจธรรมะขั้นสูงนะแต่ว่าธรรมะขั้นพื้นฐานนี่ไม่มีเอาเลยถ้ามีธรรมะขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือคุณธรรมความดีไม่มีฐานไม่มีศีล ไอ้ที่พูดเรื่องอนัตตาพูดเรื่องไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็อาจจะเป็นอุบายกิเลสเพื่อที่มาสับสูญความเห็นแก่ตัวก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยพระผู้ใหญ่สมัยก่อนนี่ท่านก็ระมัดระวังนะการสอนเรื่องอนัตตาเนี่ยอย่างสมเพระพุทโคษาจารย์ประเทศสุริณเนี่ย ก็เคยเตือนท่านอาจาพุทธทาวาอย่าสอนเรื่องอนัตตาเร็วไปนะเพราะว่ามันอาให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่ามันอาจจะทำให้เกิ ด, าา ด, าาจจ ก, ดการอ้างอนัตตาหรืออ้างธรรมะขั้นสูงเนี่ยเพื่อมาสนองกิเลสทำให้ละทิ้งความรับผิดชอบที่ควรมีควรทำอนนี่ก็เป็นข้อที่ต้องพึงระวังเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเรานะพยายามที่จะทา พยายามรักษาหรือปฏิบัติธรรมะขั้นพื้นฐานเอาไว้ในที่สุดมันก็อาจจะเข้าใจธรรมะขั้นสูงคือเข้าถึงปรมาทศัศนสัจจะแล้วก็สามารถจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสมมติสัจจะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรยึดมั่นถือมัน่นแต่ว่าใช้ให้ถูกอันนี้ประการต่อมาคือว่าแม้ว่าเราจะยัง ไม่สามารถจะเห็นหรือเข้าใจสมมติสัจจะเข้าใจถึงอนัตตภาวะได้ว่าตัวเราเนี่ยมันไม่มีมันเป็นแค่สมมุติอย่างน้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงหรือเข้าใกล้ภาวะเช่นนั้นได้การเจริญสติเนี่ยนะมันเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะถ้าเราเจริญสติเป็นเนี่ยเราก็จะ ถ่ายถอนความยึดความหลงในอัตตาในในตัวกูได้อย่างเช่นเวลาเดินเนี่ยถ้าเราเดินอย่างมีสติมันก็จะเห็นนะว่ามันไม่ใช่เราที่เดินมันไม่ใช่ฉันที่เดินนะแต่มันเป็นรูปที่เดินนะเวลามันมีความคิดความเศร้าความโกรธความโศกเกิดขึ้นจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราที่เศร้าไม่ใช่เราที่คิดไม่ใช่เราที่โกรธ มันเป็นแค่ความคิดความโศกความเศร้าวความโกรธที่เกิดขึ้นในใจนะมันเป็นเรื่องของนามนะไม่ใช่เรื่องของตัวเราเมื่อคือว่าการมีสติมันต้องไม่เห็นนะว่าความคิดต่างๆหรืออารมณ์ต่างๆนี้ไม่ใช่เรานะมันปลดเปลื้องความยึดว่าเป็นเราออกไปจากเดิมที่ยึดว่าเนี่ยอารมณ์ความคิดเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราเนี่ย มันสลัดทิ้งไปมันเห็นแต่ว่าเออมันมีความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นความคิดเราเรานี่ไม่ใช่เราแต่มันยังมีการเห็นอยู่นะมันยังมีผู้เห็นอยู่และแมงๆก็ยังคิดว่าเราเห็นนะเห็นว่าเนี่ยอารมณ์ไม่ใช่เราความคิดไม่ใช่เราความทุกข์ไม่ใช่เรา แต่มันยังมีตัวเราอยู่นะตัวเราเป็นผู้เห็น mm hmm. เพียงแต่เราเห็นว่า อ, อารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่เราละอันนี้มันก็เรียกเป็นการเป็นความก้าวหน้านะแต่แม้กระ น, นันเนี่มันก็ยังมีเราผู้เห็นอยู่ต่อเมื่อเราภาวนาจนกระทั่งมันมีแต่การเห็นนะแต่ไม่มีเราผู้เห็นนะ อันนี้มันก็จะช่วยทำให้ถ่ถอนความยึดว่ามีเราออกไปได้ไอสิ่งที่เรียกว่าเราเนี่ยก็จะเห็นชัดว่ามันเป็นแค่สมมุติเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นด้วยอํานาจขอ ง, ของความหลงเ้ือ่องอนาจของวิชาแต่ในขณะที่วิชาตรงนี้ยังไม่ได้หายไปมันยังมีเราอยู่แต่น้อยยังดีนะที่ยังเห็นว่าความโกรธไม่ใช่เรา ความทุกข์ไม่ใช่เราความคิดไม่ใช่เราอันนี้ก็ต้องภาวนาต่อไปนะจนกระทั่งรู้ว่ามันมีแต่การเห็นนะแต่มันมันไม่มีผู้เห็นในขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยนะถ้ายังไปไม่ถึงจุดนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ให้เห็นนะไม่เข้าไปเป็น อย่างที่หลวงพ่อท่านเน้นคือเห็นอารมณ์เห็นความคิดเห็นความโกรธแต่ไม่เป็นผู้โกรธไม่เป็นผู้คิดแต่ก็ต้องตระหนักว่ามันยังมีผู้เห็นอยู่นะแล้วผู้เห็นเนะี่ยคือเราเห็นในความเข้าใจต่อเมื่อถ่ายถอนนะความยึดมั่นในตัวตนในเรา จนกระทั่งมันมีแต่การเห็นนะแต่ไม่มีผู้เห็นเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละหนะ้าที่จะทําให้เข้าใจเรื่องอนัตตาเข้าถึงอนัตตาแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงปรมาจิสัจจะโดยที่ไม่ติดในสมมติสัจจะได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอุบายนะเป็นขั้นตอนในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะไม่หลงติดใน สมมุติไม่ว่าจะเป็นสมมติบัญญัติหรือสมมติสัจจะได้เย็นนี้พุทธนี้นะโอกาสครับ